เมื่อมานึกได้ว่าขโมยของท่านเป็นอาบัติปราชิกและเอาไปวางไว้ตามเดิมอาบัติของพระก็ไม่คืนดีมาอย่างเก่าเพราะมันขาดตั้งแต่วาระแรกแล้วและวินัยนี้มันแตกต่างกับกฎหมายมีอยู่อันหนึ่งพระภิกษุกอโกรธแค้นนายคอและไปจ้างนายคอให้ไปฆ่านายคอถ้าหากว่านายคอผู้รับจ้างมาฆ่านายอตาย